จเจริญพรทุกท่านที่จริงแล้วเราเรียนธรรมะนะเรียนมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเราเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองเรารู้จักตัวเราเองแจ่มแจ้งแนละ้วชีวิตเราจะเปลี่ยนคนในโลกนี้มันจมไปด้วยความทุกข์ชีวิตหาความสุขไม่ได้วุ่นวาย สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นแต่และคนรักตัวเองที่สุด อ, อยากให้ตัวเองมีความสุขแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจตัวเองเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องอื่นอะไรก็ได้ที่ให้ไกลตัวเขาไว้และจริงแล้วการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากอะไระเป็นเรื่องที่เรามาเรียนรู้ตัวเองทำความเข้าใจ คอยะระึกลงในกายในใจของเราเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนีคนทั่วๆไปละเลยรู้ก็รู้ได้ปฏิบัติทำไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันรู้กายรู้ใจตัวเองเนี้ยทุกคนรู้ได้แต่ว่าละเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราขับรถคนปาดหน้าเราตาเรามองเห็นเขาปาดหน้าเรา่าไปดูคนที่ปาดเราไม่สนใจว่าตอนนี้ใจเราโกรธ เรารักตัวเองนะแต่เราทิ้งตัวเองตลอดเลยเวลาเรามองเห็นเราก็สนใจสิ่งที่เราเห็นไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองเวลาเราได้ยินเสียงเราสนใจเสียงนั้นสนใจเรื่องราวที่ได้ยินเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองหรือเวลาเราคิดเราไปอยู่ในโลกของความคิดเราไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองเวลาอเราละเลยไม่สนใจ ร่างกายจิตใจของตัวเองเราจะมาเข้าใจมันได้ยังไงงั้นสิ่งแรกเลยที่หลวงพ่อชวนพวกเราก็คือรู้สึกตัวให้เป็นให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแทนที่ว่าคนเขาปาดหน้าเราขับรถปาดหน้าเราเราโกรธแทนที่เราจะไปดูเขาเราก็ย้อนมาดูใจของเราเองเราเห็นใจมันโกรธเราก็จะเห็นได้ความโกรธมันเกิดได้เอง มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปต่อไปเวลาเราไปเจออะไรที่มีความสุข เ, เราก็เห็นนะความสุขมันกเกิดขึ้นมาเองในใจเรามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนี่เราแค่หัดย้อนกลับมาเรื่งทุกคนรู้จักทุกคนดูได้อย่างพวกเราใครไม่รู้จักความทุกข์บ้างก็ไม่มีหรอกใครไม่รู้ว่าความสุขเป็นไงก็ไม่มีเห็นหมรู้จักทุกคนรู้จักโลภไหมใครโลภเป็นบ้าง เป็นไหมโกรธเป็นไหมเป็นฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านเศร้าใจหดหูอิจฉาเป็นไหมอิจฉาเนี่ความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักต่อปปนนี้ก็แค่ว่าอย่าละเลยคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปได้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้เราจะได้อะไรเราจะได้ความดีงามมากมายนะเป็นลำดับลำดับไป อย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นเรารู้ความทุกข์เกิดเรารู้โลบโกรธลงเกิดขึ้นเรารู้เนี่ยการที่เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตจะชํานาญในการรู้เพั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราจะรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้มันจะเปลี่ยนความเคยชินเคยชินที่จะออกไปดูคนอื่นไปดูสิ่งอื่นไปฟังไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสอะไรข้างนอกมันจะเปลี่ยนความเคยชินกลับมาคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจของตัวเองต้องฝึก ถ้าเราไม่ฝึกนะยังไงมันก็ไม่เป็นหรอกงั้นเรามาสร้างความเคยชินอันใหม่คือเคยชินที่จะคอยรู้สึกตัวเองไม่ใช่เคยชินที่จะหลงออกไปอยู่ข้างนอกเคยชินที่จะไปดูไปดมกลิน่นไปริมรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปคิดนึกทางใจเพลิดเพลินะไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่รางกายในเรื่องราวทางใจนะคนในล่องก็เพลินไปอย่างนั้นเราพยายามมาฝึกตัวเองใหม่ ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเรารู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปจิตมันเคยชินที่จะรู้และวแล้วต่อไปพอมันเคยชินแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาแนละ้วมันคล้ายๆทุกวันเนี้ยเราหลงโดยไม่เจตนาจะหลงรู้สึกไหมหลงเก่งหลงโดยไม่ต้องเจตนาจะหลงเพราะ <han> อะไรเพราะมันเคยชินที่จะหลงนี้ถ้าเราหัดคอยรู้ทัน กายรู้ทันใจของตัวเองเช่นหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็คอยรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกนะมีสุขมีทุกคอยรู้สึกโลบโกรดหลงคอยรู้สึกคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปจิตใจมันคุ้นเคยที่จะคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจงั้นต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนั้นมันจะรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนาเลยมันทุกวันนี้ต่อกลับข้างกันนะเราหลงโดยไม่เจตนาจะหลงนะแต่ว่าจะรู้สึกเนี่ยโอ้ยากมากกว่าจะรู้สึก ขึมาได้สักคนนึงนั่นเราต้องฝึกให้โอก า, mm hmm. อกาส mm hmm. กัชีวิตของเราบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยคือการเจริญสติ mm hmm. พระเจ้ายัางสอนเลยนะสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานนี่มันต่าง ก, กับสติธรรมดาอยู่หน่อยเดียวคือเป็นสติที่ระลึกรู้รูปนามกายใจของตัวเองเส่ยงสติอย่างโลโล้มก็รู้อย่างอื่นไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลไปนะ แต่สติปัฏฐานนี่สติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่เป็นทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ในชีวิตนี้แหละไม่ใช่ว่าต้องไปรอปฏิบัติแทบตายแล้วไปพ้นทุกข์เอาชาติต่อๆไปนะพ้นเดี๋ยวนี้เลยนะไม่จาเป็นต้องไปรอนานนี่เรามาสร้างความเคยชินของตัวเองใหม่นะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแต่ไปเราจะรู้ได้โดยไม่ต้องเจตนาเนี่ยชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนเรวเาสติมันเกิด ในตำราเนี่ยบอกว่าสติทำหน้าที่ระลึกรูนะ้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเป็นตัวไประลึกรู้ถ้าจะพูดตามตำราบอกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าเรานักปฏิบัติเนี่ยเรารู้กายรู้ใจนั้นสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจนะนี้สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นก็เกิดจากจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเพรา ะ, ะ น, นเรามาหัดรู้สึกกายบ่อยๆ รู้สึกใจบ่อยๆพ อ, เ, อเรารู้สึกได้บ่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยมันจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้เอาลองยิ้มซียิ้มหวานหวานแก้ง่วงทอนนี้เป็นเวลาที่อาหารเป็นพิษนะกินข้าวใหม่ยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยเราแค่รู้สึกนะร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายเรายิ้มเราพยักหน้าซิพยักหน้าเนี่ยรู้สึกร่างกายมันพยักหน้าขยับมือหน่อยขยับนะแก้ง่วงดีด้วย บางคนบอกให้ขยับมือหน้าหาวเลยเ น, นี่ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะรู้สึกมันะหัดรู้สึกอยู่บ้างไงั้นเราใจลอยทั้งวันใจใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นนะมันทิ้งกายทิ้งใจของตัวเองเนี่ยพยักหน้าก็รู้สึกเอาถ้าเจ้าสอนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะท่านสอนให้เรารู้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวเรานี่เอง <S <S <S อย่างท่านบอกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราก็หายใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะ หน้าที่เราก็คอยรู้สึกเอาหายใจหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้แนะนำให้หายใจออกก่อนนะหายใจเข้าก่อนใจจะอึดัดพวกเราลองหายใจออกก่อนสิแล้วรก็รู้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าดูที่ลมหายใจนะดูที่เห็นร่างกายมันหายใจมันไม่เหมือนกันถ้าเราไปดูลมหายใจนี่จิตเราจะิดจ้องอยู่จุดเดียวเลยจิตจะเคร่งเครียดขึ้นมา ท่านสอนง่ายๆนะพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บัลังตั้งกายตรงนำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายมันหายใจออกยาวใครเป็นคนรู้จิตมันเป็นคนรู้เนี่ยค่ๆรู้สึกไปหรือท่านสอนบอกพิสูจทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ใครนอนร่างกายมันนอนร่างกายมันนั่งร่างกายมันเดิน นี่เราเห็นร่างกายมันทํางานนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะพิสูจทั้งหลายมาเดียวซ้ายก็รู้และขวาก็รู้นะคู่ก็รู้เหยียดก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้หยุดนิ่งก็รู้นะสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดเลยอย่าถ้าเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจนียอยู่ในหมวดที่เรียกว่าอนาปนาสติบัภะนะถ้ารู้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าอิริยา บ, บุบพัพภะ ถ, ถ้าเรารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยเรียสัมปชัญญะบัพเพะเนี่ยอยู่ในหมวดธรรมที่พระเจ้าสอนทั้งนั้นเลยนี้ถ้าพวกเราไม่ละเลยสิส่งที่ท่านสอนเราพยายามทำหายใจออกก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าหารู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะต่อไปเนี่ยเราไม่เจตนาจะรู้สึกมันจะรู้สึกเองเพราะจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกนั้นเรียกว่าได้สติละ จะเริ่มจากการดูกายก็ได้หรือจะเริ่มจากการดูจิตก็ได้นะการฝึกสตินะถ้าเราเป็นคนขี้โมโหเราขี้โมโหมากเลยวันวันหนึน่งกระทบอารมณ์อะไรก็หงุดหงิดกระทบอะไรก็หงุดหงิดพวกเราคนไหนที่ขี้หงุดหงิดบ้างยกมือซิมีไหมท่านพอพออะไรพอวทอยกคนแรกเลยขี้หงุดหงิดพวกเราต้องระวังเลยนะ <laughs> ถ้าเราขี้หงุดหงิดขี้มโมโหทำกรรมฐานอะไรพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสัจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสัจก็ฝึกอย่างนี้แหละจิตโกรธขึ้นมาก็รู้นะจิตหายโกรธก็รู้รู้ไปอย่างนี้แหละรู้สบายสบายเมื่อกี้ลราหันไปดูเขารู้สึกไหมพอเราหันไปดูเขาเราลืมตัวเองรึกออกไหมเราลืมตัวเองหันไปดูเราไม่เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหว เราไม่เห็นว่าใจเราสนใจเขาอนี้เรีว่าเราขาดสติละขาดสติปัฏฐานอยู่ดีๆมันไม่มีหรอกสติมันต้องฝึกนั้นเราฝึกถ้าเราถนัดรู้ร่างกายนะก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปร่างกายเคลื่อนไหวก็ดุกระดิกเลยนะใจเป็นคนดูไปถ้าถนัดดูจิตดูใจก็ดูความรู้สึกของตัวเองนะเดี๋ยวก็จิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจทุก็รู้ คนไหนขี้โกรธก็เห็นเดี๋ยวจิตใจก็โกรธเดี๋ยวจิก็อาใจก็หายโกรธคนไหนขี้โลบบ้างยกมือซิมีไหมขี้โลบเนี่ยประเภทเห็นอะไรก็อยากได้โลบมากเห็นเมียคนอื่นก็ชอบอย่างนี้นะห้ามไม่ได้ใจมันจะชอบนะแต่ให้มิมีสติเท่านั้นแหละคนในยุค ข, ของเราเนี่ยนะคนขี้โกรธจะเยอะกว่าคนขี้โลบสังเกตดูนะหลวงพ่อถามมาหลายที่แล้วนะ เวลาสุ่มตัวอย่างถามเนี่ยบอกคนไหนขี้โกรธบ้างโอ้ยกมือเยอะคนไหนขี้โลภจะน้อยกว่าคนไหนขี้หลงฟุ้งซ่านเก่งโอ้ยกทั้งห้องเลยคราวนีนะ้เพราะฉะั้นยุคนี้เป็นยุคของคนขี้หลงนะถ้าเราหลงมากๆเราจะมีอกุศลนะเป็นโมหะตายไปเนี่ยอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เพราะสัตว์จะชอบใจลอยอย่างหมาแมวใครเลี้ยงหมาบ้างมีไหม เลี้งหมาเลี้ยงแมวสังเกตดูสิเวลามันอยู่เฉยเฉไม่มีใครมายุ่งกับมันจะใจลอยแต่ถ้าจะไปเลี้ยงปลาทองแล้วไปดูปลาทองใจลอยก็ดูยากหน่อยนะพราะมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแล้วหมามันชอบนั่งเมออย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเป็นชิ้ขี้โกรธนะเราก็คอยรู้ทันหงุดหงิดก็รู้หงุดหงิดก็รู้ถ้าเราขี้โลภเราก็รู้อยากโน่อนอยากนี่ขึ้นมาเราคอยรู้ทันไปนถ้าคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็คอยรู้ทันจิตชอบหนีไป ส่วนใหญจะหนีไปคิดเจะหลงไปคิดทั้งวันอ่ะเวลาตื่นนอนมานะบางทียังไม่ทันลืมตาก็เริ่มหนีไปคิดละหนีไปคิดหมายถึงว่าคิดโดยไม่จําเป็นต้องคิดถ้าเราคิดเรื่องงานเนี่ยจำเป็นนะต้องคิดเรื่องงานก็คิดไปคิดให้รู้เรื่องแต่ปกติเนี่ยอยู่เฉยๆนี่แหละชอบหนีไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้เราคิดไปอดีตบ้างคิดไปอนาคตบ้างเรารักตัวเองนะแต่เราทิ้งตัวเองตัวเราจริงๆอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เพราะในอดีตไม่มีเราแล้วล่ะในอนาคตก็ไม่มีเราปัจจุบันนี้เท่านั้นที่ตัวเราที่รูปนามกายใจนี้ยังดำรงอยู่แล้วเราก็ทิ้งมันไปใจเราก็หนีไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราก็ฝึกสินะถ้าใจเราไหลไปคิดเรารู้ทันใจไหลไปคิดเรารู้ทันต่อไปพอใจไหลไปคิดมันรู้โดยไม่ต้องรู้ไม่เจตนาตรงที่รู้ได้โดยไม่เจตนาเนี่เยเรียกว่าสติตัวจริงเกิดละตัวนี้สําคัญมากนะสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ถ้ามีสติก็มีโอกาสที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญางอกงามขึ้นไปถ้าขาดสติตัวเดียวก็คือศีลสมาธิปัญญาไม่เหลือละงั้นตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่พวกเราต้องฝึกนะถ้าอยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะเช่นปีนี้ควรจะได้สองขั้นก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ ถ้าไม่เคยฝึกนะเศร้าใจบางคนเศร้ามากลาออกจากงานไปชดเลยก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอบางคนไปชดนายลาออกไปลาออกไปนายรีบเซ็นเลยดีใจนะเออไอคนที่ออกไปเสียได้บารานว่าตัวเองอะไรเฉาเฉาเองให้เรามาฝึกนะฝึกค่อยๆฝึกเพื่อชีวิตของเราจะได้ดีมีความสุขคอยรู้ทันทุกวันแบ่งเวลาไว้บ้าง เราเอาเวลาของเราเนี่ยไปให้สิ่งอื่นไปให้คนอื่นซะหมดนะอย่าเวลาเอาไปทํางา น, นมันจําเปน็นต้องเอาไว้เลี้ยงชีวิตเรานะแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมในทางโลกก็ต้องทํานี่เราก็เอาเวลาที่เหลือนะไปให้คนอื่นให้ในครอบครัวให้เพื่อนให้อะไรต่ออะไรบางคนเอาเวลาไปให้การพนันให้อะไรนะเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นหมดเลยนะเสียชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะชีวิตเรานี้สั้นลงตลอดเวลา แล้วเราก็เอาเวลาไปทิ้งเสืเปล่าๆด้วยไม น, นอย่าอให้เสียเวลาเปล่าๆนะทุกวันแบ่งเวลาไว้หน่อยหนึ่งสัก15นาที20นาทีก็พอไม่ต้องมากหรอกแบ่งเวลาไว้ไหวพระสวนมนต์นิดหน่อยนะแล้วก็ฝึกกรรมาฐานร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะนะหรือจิตใจเป็นสุขเป็นทุ ก, ก, กข์ก็รู้สึกจิตใจดีจิตใจโบกรดลงก็รู้สึก หัดรู้ไหัดรู้อยู่ในกายหัดรู้อยู่ในใจนะวันหนึ่งสักสินาทีเท่านั้นแหละไม่มากหรอกนะฝึกทุกวันทุกวันนะในเวลาสักเดือนหนึ่งจิตเราจะเริ่มตื่นขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมาได้โดยไม่ได้เจตนาละวพอมีอารมณ์อะไรแปรปรวนเกิดขึ้นในใจนะสติจ ะ, ะระลึกเองหรือพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนะี่ยสติจ ะ, ะระลึกได้เองะระลึกแล้วมันจะมีผลดีเกิดขึ้นนะอันแรกเลยศีนของเราจะดีขึ้น ศีลจำเป็นมากนะทุกวันนี้คนไม่รู้จักว่าศีลมีคุณค่าถ้าเรามีศีลใจเราจะมีความสงบสุขง่ายนะถ้าคนที่ขาดศีลจิตใจจะฟุ้งซ่านหาความสุขไม่ได้จริงหรอกอย่างคนมีศีลมีธรรมไม่ได้คิดจะฆ่าใครไม่คิดทำร้ายใครมีแต่ความเมตตาผู้อื่นสัตว์อื่นจิตใจร่มเย็นเป็นสุขคนที่ไม่มีศีลมีธรรมคิดจะทาร้ายคนอื่นสัตว์อื่นจิตใจไม่มีความสุข คนที่มีศีลมีธรรมนะรู้จักเสียสละรู้จักให้มีความสุขนะคิดจะเอาของคนอื่นคิดจะเอาขององค์กรอนะไรไม่ได้มีความสุขเลยคนที่ซื่อสัตว์ในคู่ของตัวเองนะจิตใจสงบสุขไหมยิ่งแต่งนานๆสงบมากเลยหันไปมองแล้วก็อุเบกขาตลอดวันนะ <laughs> จิตใจสงบสุขเฟดูคนอื่นสิจิตใจนกกรเพิ่มใช่ไหม เห็นผู้หญิงอื่นสวยใจก็เพื่มเลยหรือเห็นหนุ่มคนอื่นมันหลอกกว่าสามีเรานะใจมันก็เพื่อมใจมันหวั่นไหวการที่เรามีศีลเนี่ยนะจิตใจเราสงบสุขง่ายคนที่พูดความจริงนะไม่ต้องใช้หน่วยความจําเยอะนะถ้าพวกโกหกต้องจํามากยิ่งไปโกหกคนนี้ไว้อย่างหนึ่งนะไปโกหกอีกคนหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยมีปัญหามากเลยต้องจําจําว่าโกหกคนนี้ไว้ว่าอย่างไงถ้าสองคนมาเจอกันจะต้อง หาซินธิซิสว่าตัวกลางที่พูดไปแล้วโกหกทั้งสองข้างได้ยังไงนะม่ข้อมูลีจะขัดแย้งกันพวกนี้ใช้ความความพยายามมากมายนะมันมันยากกว่าคนที่พูดความจริงพูดความจริงไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องจําอะไรมากแต่พูดโกหกต้องใช้พลังงานมากนะหรือคนมีสตินะสบายคนกินเหล้าเมายาขาดสตินะจิตใจไม่ได้มีความสุขความสบายเลย ถ้าเรามีศีลได้นะจิตใจเราจะมีความสุขแล้วเราจะมีเครดิตมากขึ้นด้วยคนมีศีลมีธรรมมีเครดิตเยอะนะคนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเครดิตเรกพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อ ท, ทําดีแทบตายเลยคนก็ระแวงเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาศีลไว้วิธีรักษาศีลนะถ้าเราไปขอจากพระมาก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลืมเราเอาสตินี่แหละมารักษาจิตไว้ คนที่ทําผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันคล่องงำจิตอย่างความโกรธมันคล่องงำจิตนันก็ไปทําร้ายคนอื่นไปทําลายทรัพย์สินเขานะไปหลอกลูกหลอกเมียเขาไปโกรหกหลอกลวงเขาไปด่าเขานะใส่ร้ายเขานี่มันเกิดจากกิเลสมันคล่องงำจิตนะความโกรธคล่องงำจิตทําผิดศีลหข้อได้ทั้งหมดเลยความโลภคล่องงำจิตก็ทําผิดศีลหข้อได้หมดเลยนะอย่างเวลาความโลภเกิดขึ้นนี่มันกะ็ไป ทำร้ายเขาไปแยงชิงสมบัติเขาก็ได้ไปลักขโมยเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้นี่ทำด้วยความโลภหรือเวลาใจเรามีความโลภนะมันจะมีความสุขด้วยเวลามีอะไรเพลิดเพลินมานะใจในขณะนั้นนะมีโลภมีความสุขเวลาคนไทยเราเวลามีความสุขต้องเลี้ยงฉลองใช่ไหมเนี่ยเวลาโลภเกิดนะต้องไปกินเหล้าเวลาเศร้าใจเศร้าใจเป็นโทสะนะ ก็กิดเหล้าอีกแล้วใช่ไหมรวมความแล้วก็คือผิดศีลห้าข้อได้หมดเลยมีโลพาก็ผิดศีลห้ามีโทสาก็ผิดศีลห้าได้นี่โลพาโทสา น, น, ส น, สนะทนี่มันแพ้สติมันแพ้สตินะกิเลสเนี่ยมแพ้สติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะเลยงั้นเราฝึกตัวเองด้วยนะฝึกคอยรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจนี่แหละโดยเฉพาะการรู้สึกเท่าทันจิตใจของเรานี่สําคัญมากเลย แล้วกิเลสมันอยู่ที่ใจศีล ส, สมาธิปัญญาอรมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเน่ยงั้นเบื้องต้นจะรู้สึกกายก่อนก็ได้นะสุดท้ายมันก็เข้ามาถึงใจจนได้เห็นถ้าบางคนสตาร์ทด้วยการรู้ทันใจของตัวเองได้เลยก็รัดสั้นหน่อยนะเพราะว่าการดู ก, กายเนะี่ยดู ก, กายเพื่อจะให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมงั้นถ้าเราเข้ามารู้ทันจิตใจของเราได้เลยเส้นทางนี้ก็สั้นหน่อยนะเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นให้เรารู้ทัน ถ้าเรารู้ทันแล้วความโกรธมันจะดับเองและความโกรธมันดับแล้วเราจะไม่ทําผิดศีลหเพราะความโกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นนะให้เรารู้ทันใจมันอยากขึ้มารู้ทันนะความโลภมันจะดับเมื่อความโลภมันดับเราจะไม่ทําผิดศีลหเพราะความโลภเนี่ยเป็นวิธีที่รักษาศีลได้โดยการมีสติรักษาจิตเป็นวิธีรักษาศีลที่ง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วศีลนะมันอยู่ที่เจตนางดเว้นอยู่ที่เจตนางดเว้นนะถ้า อย่างคนอายุร้อยปีเงี้ยบอกว่าซื่อสัตย์ต่อภรรยาไม่มีชู้มีชู้ไม่ไหวหรอกนอนแง่งแมงอยู่นะกระดูกกระดิกก็จะไม่ไหวอยู่แลหยอดน้ําก็ต้มทุกวันบอกไม่ไปมีชู้เพราะมีศีลอันนี้ไม่ใช่ศีล น, นะศีลเนี่ยหมายถึงว่ามีโอกาสทําชั่วก็ไม่ทำเพราะมีเจตนา ง, งดเว้นนะนี้ถ้าเจตนา ง, งดเว้นเราเกิดจากเรามีสติรู้ทันด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสจะดับเลยนะสบายมากตอนเนี้ย แต่ถ้าเราไม่มีสตินะพอกิเลสเกิดนะโอ้เราเจตนาจะงดเว้นนะทรมานใจมากนะอึนัดมากเลยถือศีลลําบากนั้นถ้าเรามีสตินะเราจะถือศีลง่ายเราจะงดเว้นการทําชั่วทําบาปทางกายทางวาจาได้โดยง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนั้นรักษาจิตไว้อันเดียวนี้แหละศีลมันจะเกิดเครื่องมือที่เราใช้รักษาจิตก็คือสตินี่เองคอยรู้ทันมันมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้หัดรู้บ่อยๆนะ นี่ต่อไปแล้วถ้าเรามีสตินะสมาธิมันจะเกิดสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติเมันนั้นไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดนี่เป็นวิธีทําให้เกิดสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าเราดูจิตดูใจเป็นแลกันจะเกิดสมาธิจะง่ายแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันจิตใจตัวเองนี่ย กว่าจะมีสมาธิขึ้นมาลาบากนั่งกันตั้งนานไม่ค่อยยอมสงบเลยนะหรือพอนั่งไปนานๆแทนที่จะสงบนะก็เคลิมขาดสติฟปซะอีกอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะงั้นเราอาศัยสติทุธทันเราหัดบริกรรมไปก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบแต่ทำไปเพื่อรู้ทันว่าจิตฟุนะ้งซ่านเนี่ยกลับข้า้งซะแล้วมันจะง่าย ถ้าเรากะว่าจะทําเพื่อให้จิตสงบนะหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดโทวังว่าจิตจะสงบเนะี่ยโอ้จะเหนื่อยมากเลยเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรากลับข้างนะว่าเราแทนที่จะมุ่งไปที่ความสงบเนะี่ยเรามุ่งมารู้ทันความฟาุนะ้งซ่านแทนเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปหรือจะพูดโทอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจิตเดี๋ยวก็ห น, ไออ น, นีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราคอยรู้ทันนะ เช่หายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหนีไปแล้วหนีไปเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าหนีทันทีที่เรารู้ว่าหนีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเพราะฉั้นบางทีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะก็จะได้ต้นทางการปฏิบัติอย่างหลวงพ่อเทียนนะบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติทําไมรู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะ จิตก็ตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมานะจิต ท, ที่มีสมาธิเนี่ยเป็นต้นทางของการเจริญปัญญานี่พวกเราเสร่วนใหญ่ที่ฝึกนะยกเว้นที่นี่นะที่นี่เรียนจากหลวงพ่อฟังฟรีโดอซีดีมา น, นานเราเรารู้จักว่าสมาธิมีหลายแบบส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ขาดสตินั่งสมาธิแล้วก็เคลิมนั่งสมาธิแล้วก็เครียดนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิ นั่นถ้าเรามาฝึกสมาธิให้ถูกนะดยการทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตหนีไปส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนั่นเะช่นพุทโตพุทโธจิตหนีไปเรารู้นี่จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนี่ยจะมีลักษณะที่จิตมันจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะขยันทํางานไม่ใช่ขี้เกียจไม่ซึมนะแล้วซื่อตรงในการรู้อารมณ์ อะไรเกิดขึ้นก็จะขยันนะรู้ไปซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะีจิตที่เป็นกุศลจริงๆจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องจริงๆเป็นจิตที่เป็นกุศล น, นะฉะั้นเรารู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันว่ามันหลงไปเรารู้ทันว่าหลงนะตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นนะพอตัวรู้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าจิตเราได้สมาธิมาลนะตั้งมั่นควรแก่การงานเราก็เจริญปัญญา ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแบบเด็ดขาดถอนรากถอนโคนเปลี่ยนแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกก็ต้องเจริญปัญญาแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตของเราชั่วครั้งชั่วคราวก็ทำแค่สมาธิเนะช่นวันนี้เหนื่อยมากฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟุ้งใหม่ก็ทำความสงบใหมนะ่ก็แก้ปัญหาเป็นคราวๆไปด้วยสมาธิแต่ถ้าเจริญปัญญาเนี่ยมันแก้ปัญหาเด็ดขาด ถ้าเมื่อไรจิตมันเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะมันจะไม่ย้อนกลับถ้ามันรู้จริงว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยมันจะถอนตัวออกจากขันห้าถอนตัวออกจากวัฏตะไม่กลับมาสู่วัฏตะอีกแล้วนะโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาจิตอีกเลยนะอย่างจิตพระอราหันต์เนี่ยท่านเห็นแจ้งแล้วว่าร ain ain 5, ูปนามขันห้ากายใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่อย่างที่พวกเราเห็นนะพวกเราเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้าง ถ้าเราอยากเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะเราปล่อยไม่ได้เรายังจะเลือกเราจะเลือกเอาสุขเราจะเลือกที่จะไม่เอาทุกข์ใจมันจะเอาไม่ปล่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบจริงนะเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะไม่ยึดกายถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่รอบว่าตัวจิตนี้คือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขนะจะเป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเอง จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะไม่ยึดถือจิตอีกแล้วเนี่ยคล้ายๆลย้โบ ร, ราณท่านเทียบนะเหมือนเอากะทิมาเคียเค่ยวเคี่ยวจนกระทั่งกล า, ายเป็นน้ํามันนะบอกน้ํามันเนี่ยนะไม่กลับไปเป็นกะทิอีกแล้วจิตพระอราหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะปัญญามันแก่รอบจริงรู้แจ้งแทงตลอดในกองขันห้าแล้วนะไม่กลับไปเป็นผูถุชนอีกแล้วนั่นจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่เด็ดขาด ถ้าแก้ปัญหาด้วยสมาธินะแก้เป็นคราวๆ เ, เดี๋ยวก็เสื่อมนะทำวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านสลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าฝึกให้มีปัญญานะเราถึงจะเอาตัวรอดได้จริงการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากนะการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งอ่านนั่งฟังจนะามาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วให้เกิดปัญญาจะไปอ่านพระไตรปิฎกให้เกิดปัญญามันไม่เกิดหรอก นั่นมันเป็นัญาของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกของปัญญา พ, พุทธเจ้าปัญญาพระสาวกรุ่นโบ ร, โบราณนั่นหรือมาฟังหลวงพ่อเทศนะมันก็ปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของคนอื่นจะมาล้างกิเลสของเราไม่ได้นะต้องปัญญาของเราเองถึงจะล้างกิเลสของเราเองได้งั้นอย่างเราไปฟังธรรมะไปอ่านธรรมะนะสิ่งที่เราได้คือได้วิธีปฏิบัติเมื่อได้วิธีปฏิบัติคือได้วิธีที่จะมาเรียนรู้กายตามที่กายเป็น มาเรียนรู้จิตใจตามที่จิตใจเป็นรู้วิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อเรารู้วิธีเนี่ยมาจากการอ่านการฟังอะไรเนี่ยเราถึงก็มาลงมือปฏิบัตินะเพราะเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของเราคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองก็มีแต่พระสัมมาสัมพุท ธ, ธะกับพระปฏิจกบุทระอย่างพวกเราต้องฟังต้องอ่านแต่ไม่ใช่อ่านหนังสือมากะะมากได้จะบรรลุธรรมนะต้องมาดูกายดูใจนะมาดูกายดูใจแสดงใจรักถึงจะรู้ธรรมได้ หลวงพ่อนะตอนยังไม่ได้เจอหลวงปู่ดูดนะรับราชการแล้วล่ะวันหนึ่งไปเจอท่านพุทธทาสไปหาท่านพุทธทาสไปถามท่านว่าถ้านอาจารย์ครับท่าอาจารย์เขียนหนังสือทั้งเยอะแล้วผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มเลยผมจะได้โสดามไหมเนี่ยกล่าวว่าถ้าท่านบอกว่าได้้จะลุยอ่านมันทุกเล่มเลยนะท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาดัานั้นท่านบอกอย่างนี้นะจริงๆท่านก็นักปฏิบัติ นี่เราไปคิดว่าท่านเป็นนักคิดเฉยๆไม่รู้จักท่านตัวจริงงั้นเราจะไปฟังการฟังการอ่านอะไรเนี่ยเรียกว่าสุตตมัายปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังมันเป็นการไป Co อปปปัญญาคนอื่นซึ่งล้างกิเลสของเราไม่ได้สิ่งที่ได้ก็คือรู้วิธีปฏิบัติปัญญาอีกชนิดหนึง่งเรียกว่าจินตามัจจยปัญญาปัญญาจากการคิดพิจารณาไตรตรองอันนี้ไว้ใช้ทางโลกได้นะแต่ไว้ใช้ทางธรรมไม่ได้ เพราะว่าจิตของเราเนี่ยปนเปื้อนด้วยกิเลสอยู่แล้วถึงเราเอาจิตนี้ไปคิดพิจารณาธรรมะมันก็คิดด้วยจิต ท, ที่ปนเปื้อนกิเลสอยู่แล้วมันมีไบแอสอยู่แล้วไม่เห็นจริงหรอกวิธีที่จะให้เกิดปัญญาได้มีอย่างเดียวนะคือภาวนาไมยปัญญาแต่การภาวนาหรือการเจริญสติ น, นั่นเองเจริญสติเจริญปัญญาแต่อยู่ๆมันไม่เกิดนะต้องอาศัยการฟังขนานคําสอนของพุทธเจ้าเสก่อนเรารู้วิธีแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติ สุดท้ายเราก็จะได้ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติการจะฝึกเจริญสติจนกระทั่งเกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราคอยดูกายมันทำงานเหมือนเราเป็นคนอื่นนะเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอาทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มให้หวานที่สุดเลยนะคล้ายๆมีสาวมาบอกรักยิ้มอย่างนั้นนะเห็นร่างกายมันยิ้มหม รู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าลองใส่หน้าสิใส่ช้าช้านะเดี๋ยวบางคนความดันผิดปกติถ่ายแล้วกลิ้งตกเก้าอีไ้ไปเนี่ยเราขยับสิเราขยับนะขยับนี้ก็ได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าหรือขยับมืออย่างเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะอันนี้เป็นเป็นการเจริญกายานุปนะัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา สติปัฏฐานเนี่ยทำไปมีสองระดับเบื้ mm. องต้นให้มีสตินะฮะดูสภาวะไปแล้วจะมีสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาวิธีทำให้เกิดปัญญานะถ้าเราใช้กา ย, ยานุปัสสนาเนี่ยเช่นเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ดูแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเลยว่าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านี่มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันมีคนหนึ่งแยกออกมาเป็นคนดู ถ้าไม่สามารถแยกคนดูออกมาได้นะยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงอ่ะเพั้นการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นมาาันจกมาจากปัญญาตัวแรกเลยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณปริเฉทคือแยกออกมาแยกรูปนามแยกรูปนามเป็นไงก็เห็นร่างกายมันยิ้มใครเป็นคนดูนามคือจิตเป็นคนดูเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้นะหรือถ้าจะเดินเวทนานุปัสสนานะเราก็จะเห็นว่า ความสุขความทุกข์มันแยกออกไปจิตเป็นคนดูอย่างนี้เรียกว่าจเจริญเวทนาทนุปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าจะดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็เห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันแยกออกไปนั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาความโกรธมันแปลกปลอมมาแล้วมันก็นไปความโลภมันแปลกปลอมมาแล้วมันก็ไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูเนี่ยถ้ามีจิตเป็นคนดูอยู่จิตที่เป็นคนดูเนี่ยคือจิตที่ทรงสมาธิที่ฝึกมาแล้ว ฝึกที่จิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจะได้จิตที่เป็นคนดูหรือจิตผู้รู้ขึ้นมาดังนั้นที่เราต้องฝึกรู้ทันจิตที่หลงนะเพื่อจะได้จิตผู้รู้เมื่อได้จิตผู้รู้แล้วถ้ า, าไปรู้กายแล้วก็เห็นว่ากายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า mm hmm. <ๆ>ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้ามีจิตผู้รู้แล้วไปเห็นความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามีจิตที่เป็นผู้รู้ไปเห็นโลบกรดลงก็จะเห็นอีกโลภกรดลงไม่ใช่เรา เป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเนี่หัดรู้หัดดูนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะหัดไปเรื่อยๆดูบ่อยๆนี่บางคนบอกว่าฝึกมาเจ็ดปีแล้วแต่ว่าแต่ละวันทำห้านาทีนะนอกหน้าเวลาไปหลงหมดแนละ้วบอกฝึกเจ็ดปีอันนี้ใช้ไม่ได้นะฝึกเจ็ดปีหมายถึงว่าดูมันเรื่อยๆมีโอกาสดูเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นอ่ะทั้งวันนะ่ะนะยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทํางานที่ต้องชิดเวลาอื่นก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปนะ เจอสาวสวยก็ได้นะหรือรถติดเนี้ยรถติดแทนที่จะนั่งโมโหไปนะก็เห็นใจมันโมโหเห็นว่าความโมโหเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยนะจะปวดอือปวดฉี่อะไรก็เห็นนะร่างกายมันปวดอือปวดฉี่นะใจเราเป็นคนดูฝึกอะไรก็ฝึกไปนะค่อยๆดูจะดูกายก็ได้จะดูใจก็ได้นะแต่ว่ามีใจเป็นแค่คนดูเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานเนี่ฝึกให้มากๆ เวลารู้กายนะเราจะรู้ลงปัจจุบันขณะมันจะมีคาว่าเดี๋ยวนี้เลยกาลังกาลังเกิดขึ้นเช่นกําลังขยับจิตเรารู้ได้ถ้ามือกําลังขยับเนี่ยจิตเรารู้ได้นะแต่ถ้าเวลาดูจิตเนี่ยจะใช้คาว่าแล้วโกรดแล้วรวบแล้วลงแล้วจะต่างกันนะถ้าดูกายเนี่ยกลังเดี๋ยวนี้ n น w านะถ้าดูจิตแล้ว เช่นโกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธโลกไปแล้วรู้ว่าโลภทําไมโกรธเรารู้ว่าโกรธทันทีที่รู้พร้อมๆกับโกรธทำไม่ได้เพราะว่าตัวที่ใช้รู้ว่าโกรธนะคือสติขณะที่กำลังโกรธอยู่สติมีไม่ได้สติมันมาเกิดทีหลังโกรธไปก่อนแล้วเ ก, เกิดสติขึ้นมาได้ว่าเอ้ยโกรธแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลย ถ้าดูจิตที่เรื่องปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันแต่อย่างถ้าเมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้นะใช้ไม่ได้นะห่างไปไม่ไม่เป็นสันตตติไม่สืบเนื่องต้องติดติดกัเลยเห็นหางความโกรธยังไหวๆอยู่นะโกรธขึ้นมาปุ๊บความโกรธพุ่งขึ้นมาก่อนความโกรธมันผุดจากตรงไหนดวออกไหมผุดมาจากตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาผุดถ้าโกรดนิดหน่อยก็ไหวๆหายไปถ้าโกรธแรงขึ้นหัวเลย ใครเคยโกรธแบบเลือดขึ้นหน้ามีไหมพุ่งฟรีดเลยมันพุ่งขึ้นมางั้นเราเขแค่เห็นนะเห็นตรงที่เราเห็นว่าโกรธเนี่ยขนานั้นจิตไม่โกรธแล้วเป็นจิตคนละ ด, ดวงกันละจิตโดวนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่โกรธเป็นจิตอกุศลไม่เกิดด้วยกันหรอกแต่ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูปัจจุบันได้นะดูเลยงั้นฝึกนะอันแรกฝึกให้มีสติด้วยการทํำกรรมฐานสัดอย่างหนึ่ง คอรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจต่อไปมันเคยชินที่จะรู้สึกมันรู้สึกได้เองทุกวันนี้เคยชินจะหลงมันก็หลงได้เองต้องฝึกเปลี่ยนซะพอมีสติแล้วถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันเราจะได้ศีลถ้าความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันเราจะได้สมาธิพอมีสมาธิแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็จเจริญปัญญาเราเห็นร่างกายกําลังเคลื่อนไหวร่างกายกําลังหายใจ แล้วก็เห็นว่าร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นไปรู้เข้าเนะี่ฝึกอย่างนี้หรือเห็นว่าจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีดเดี๋ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปใจเป็นแค่คนดูนะเดียดเด๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงใจก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่ถาวร อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันถ้าเราชาตินี้ได้โสดาบันก็คุ้มแล้วนะถ้าได้โสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่ า, าโสดาปติมรักนะมีความสำคัญมีคุณค่ามากกว่าได้สมบัติของจั ก, กรพรรดิเพราะจั ก, กรพรรดิเนี่ยได้อำนาจมากได้สมบัติมากนะอยู่ชั่วอายุก็ตายแล้วทุกอย่างก็ไปเป็นของคนอื่นแต่เวลาที่เราได้โสดาปติมรนะเราไม่หายไปไหนแล้ว สวดาปฏิมักคุณธรรมเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปต่อไปชาติต่อต่อไปไดพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นถึงที่สุดแห่งทุตคนได้ถ้าเราได้โสดดาแล้วเนี่ยถึงยังไงวันหนึ่งข้างหน้าต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากเพราะนั้นเรามาหารู้สึกอยู่ในกายมาหารู้สึกอยู่ในใจนะให้เห็นความจริงของกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราหรอก เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าให้เห็นความจริงของจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรนะมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกนะสุดท้ายปัญญาแก่รอบแล้วมันเห็นตัวเราไม่มีถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครเป็นคนทุกข์ขันห้ามันเป็นตัวทุกข์เราไม่มีที่จะไปทุกข์กับมันนะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปมหาศาลเลยนะแค่ได้โสดาทานะเปลี่ยนมากๆอีกทีทันเป็นพระนาคา เปลี่ยนสุดขีดเลยคือตอนที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นะคล้ายๆเคี่ยวกะทิจนกลายเป็นน้ำมันละนะนะไม่กลับคืนอีกต่อไปแล้วไม่มีการเกิดต่อไปอีกฝึกนะค่อยๆเรียนไปฟังที่หลวงพ่อสอนครั้งเดียวฟังยากไปเปิดซีดีฟังฟัง YouTube ฟังตอนไหนก็ได้ประเทศเหมือนกันทุกตอนนะแต่ความเข้าใจของเราแหละที่จะไม่เหมือนกัน หลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีของหลวงพ่อไม่เหมือนซีดีคนอื่นนะไม่เหมือนซีดีเพลงเพลงเนี่ยเปิดไปแล้วก็นานๆไปก็เบื่อขี้เกียจฟังฟังไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยซีดีหลวงพ่อน่ะทนๆฟังไ ป, งไปถ้ามีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนี่แหละฟังแล้วฟังอีกแล้วจะพบนะฟังแล้วก็หัดดูกายดูใจไปเรื่อยๆเ ร, เ ร, เรจาจะพบว่าความรู้ความเข้าใจของเราไม่เหมือนเดิมทั้งท่านที่ธรรมมาที่หลวงพ่อพูดนะประโยคเดิมเลยแต่ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิม ปีนี้เราเข้าใจอย่างนี้ปีหน้าเราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งลักษณะธรรมะแท้ๆจะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเทศนะคนที่มาฟังเทศนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่บรารมีต่ำํำจนบารมีเยอะตนะั้งแต่เป็น ท, ทิฏฐิเพี้ยนเพี้ยนอะไรมาเนี่ยจนถึงคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่คนที่มาฟังพุทธเจ้านีด้วยความอ่อนน้อมด้วยความตั้งอกตั้งใจฟังเนี่ยจะมีความรู้สึกตรงกันอยู่ข้อหนึ่ง ว่าท่านเทศเพื่อสอนเรานะคนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่านสอนเราคนนี้ก็ว่าท่านสอนเรานะเพราะอะไรธรรมะมันเป็นของกลางๆหรอกนะเวลาท่านพูดออกมาประโยคหนึ่งเนี่ยคนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้คนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้เข้าใจไปตามชั้นตามภู่มของเรานะเะฉะนั้นไปอดทนหน่อยถ้ามีซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วฟังอีกฟังทุกวันได้ยิ่งดีนะรับรองเลยโยมประบาลใส่หน้าเลยนะ เวลาเกิดอะไรขึ้นนะสติสมาธิปัญญาจะดีดฝางออกมาเลยช่วยตัวเองได้มีคนมาส่งกันบ้านเรื่อยๆนะลดความลดงายอะไรนี้นะสติมดีดออกมาเลยหรือมีหมอคนนึ่งไปตรวจร่างกายไปไท่ลอยไปผ่านะ้วเกิดแพ้จะตายจะตายเนี่ยจิตมันออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายจะตายจิตไม่ตกใจเลยสุดท้ายก็ไม่ตาย พวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าจิตมันมีสมาธิขึ้นมาบางทีนะบางคนนะต้องคอยปลอบหมอหลวงพ่อเนี่ยเคยไปทำฟันทำฟันนะใครกลัวหมอฟันไหมเวลาทำฟันนะน่ากลัวใช่ไม้มเครื่องมืออะไ ร, รกรกง๊กงกงฟันหงพ่่อ่อออออนนไไไมมกหว ตัวแกเล็กนิดเดียวเราก็เลือกร้านผิดนาะไปเลือกหมอผู้หญิงเนี่ยมือเบาๆหน่อยอกลายเป็นว่าหมอไม่มีแรงจะถอนฉีดยาแล้วนะดึงแล้วนะแต่ไม่หลุดหมอเนี่ยนสะั่นหลก็ใจเย็นหมอใจเย็นทําทำใจสบายหายใจก่อนหายใจไหม <laughs> เดี๋ยวถอนใหม่นะหายใจหมอก <laughs> อ็ถอนอีกไม่ออก แกรถอนนี้่ก็ถอนไม่ออกนะสุดท้ายต้องไปโรงพยาบาลไปออกที่โรงพยาบาลก็หมอคนเก่านี้แหละถึงออกอยู่ที่คลินิกเนี่ยนะปลอดนะพออยู่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะกล้าหาญนะไม่กลัวทอนจนได้เพราะฉนั้นะนะถ้าเราฝึกไว้นะบางทีแทนที่เราเจ็บป่วยแล้วคนต้องมาปลอบเรานะเราต้องไปปลอบคนอื่นนะมีหลายคนเลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนีต้องคอยปลอบคนที่มาเยีย่ยมเหนื่อยเหนื่อยวันวันหนึน่ง เวลาเข้าโรงพยาบาล น, นะคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้ท้องมาเยี่ยมดิฉันนะับต้องคอยปรอบทั้งวันเลยดิฉันเหนื่อยเนะ่คือถ้าไม่มาเยี่ยมนะจะไม่เหนื่อยเท่านี้นะเนี่ยใจที่มันฝึกมาดีแล้วนะมันเข้มแข็งขนาดนั้นนะนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สามารถทำได้ถ้าเราทำนะมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแล้ววันนี้เทศให้ฟังขนาดนี้ก็พอแล้วนะไปฟังซีดีเอาไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม บางคนเขมองโควสอบบางคนก็ลืมตัวเองไปเฉยๆเห็นไหมใจมันหนีไปหนีมาทางนี้บ้างหนีไปที่อื่นบ้างเนี่ยหัดรู้นะหัดรู้ไปธรรมานะไม่เลือกเวลานะไม่ใช่ว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติแล้วตอนนี้หมดเวลาฟังทำแล้วหลงได้ไม่ใช่นะเออว่าไปเชิญคือตอนนี้เนี่ยจะปีนี้จะจะรู้สึกว่าตัวเองเห็นความยินดียินร้ายอะค่ะ จาแต่เดิมซึ่งจามไม่เคยเห็นสำคัญนะ<อ>นสำคัญมากเลยจะเห็นเรื่องความยินดียินรำแล้วก็บางครั้งรู้สึกหนืกับมันนิ่งเกินจริงอือคือคือรู้สึกว่าสงบอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ปกปติอดีที่รู้นะส่วนใหญ่ที่ฝึกฝึกกันนะพอนิ่งได้ที่ก็ภูมิใจซะอีกเนี่ยถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้ไม่ปกติใช้ได้ แล้ออกมากระทบอารมณ์บ้างแต่ถ้ามันนิ่งมากนะมันดูร่างกายก็ได้ถ้าจิตมันวา่างๆนิ่งๆเนี่ยดูกายเพราะว่าร่างกายเนี่ยถึงยังไงมันก็ทุกข์ให้ดูจนได้เนั้นถ้าจิตมันนิ่งก็มาดูกายอย่าไปปล่อยให้มันนิ่งตลอดนะแล้วการที่เราสามารถเห็นความยินดียินร้ายได้เนี่ยเป็นขั้นตอนสําคัญของการภาวนานังที่หลวงพ่อจะสอนวิธีเจริญปัญญาบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดังนั้นตัวเป็นกลางเนี่ยสำคัญมากเลยตัวที่พ้นจากยินดียินร้ายคนทั่วๆไปนะกระทั่งสภาวะก็ไม่เห็นอย่างโกรธที่มาไม่เห็นเห็นแต่คนที่ทําให้โกรธใช่ไหมรักขึ้นมาไม่เห็นสภาวะที่รักเห็นแต่สิ่งที่รักเห็นแต่คนที่รักเนี่ยคนทั่วไปไม่เห็นกระทั่งสภาวะเรามาหัดปฏิบัติธรรมช่วงแรกเนี่ยเราเห็นสภาวะแล้วต่อไปพอเราชํานิชํานานขึ้นนะเราเห็นปฏิกิริยาของจิตที่ยินดียินร้ายต่อสภาวะอีก ถ้าจิตยินดีเรารู้ทันยินร้ายเรารู้ทันยจิตจะเป็นกลางเป็นกลางต่อสภาวะเนี่ยมันจะเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงนะตัวนี้ตัวสำคัญตรงที่รู้ทันว่ายินดียินร้ายนะใช้ได้แต่ถ้าจิตติดเฉยให้ดูไกายมัเป็นกสารดูความรู้สึกในชีวิตประจำวันนะครับก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างบางโอกาสนะครับ ทำทำให้ได้ทุกวันได้เจ้งดีนะจริงๆแล้วพวกเรามันก็เหมือนแบตเตอรี่มือถือแต่ แ, แบตของเราเป็นแบตที่เสื่อมง่ายสมาธิเราเสื่อมง่ายงั้นทุกวันถ้าเราคอยชาร์จไปเรื่อยๆมันจะได้แรงจะได้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีกำลังที่จะพัฒนาต่อไปอดทนทำทุกวันทุกวันได้ดีที่สุดนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉย ขนาดนี้นิ่งเกินไปดูออกไหมออถ้าดูออกไม่เป็นปัญหาใช้ได้ถ้าดูไม่ออกต้องแก้อย่าให้มันเฉยปล่อยมันไหมปล่อยแล้วรู้ทันแล้วไงอีกนบ้านต่านี้อย่าติดเฉยนะถ้ารู้ว่าเฉยก็ใช้ได้ละยังดีคนต่อไป ใครใจลอยบ้างใครไปดูเขาแล้วลืมตัวเองบ้างมี ใ, ใจลอยก็คือหนีไปเรื่องอื่นหรือใครเขาเคลื่อนไหวใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาแม้เราพร้อมจะทิ้งตัวเองเรารักตัวเองอีท่าไหนก็ไม่รู้นะทิ้งตัวเองทั้งวันรู้สึกไว้รู้สึกไว้อีกหน่อยมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วรีบรู้สึกไว้นักประการค่ะพ่อ คือว่าเอาหลวงพ่อให้กันบ้านมาครั้งที่แล้วค่ะก็คือตอนนี้คือจิตมันพยายามดึงมาไว้ที่ฐานนะคะแล้วเขา่จะเห็นกายเหมือนอยู่ห่างๆนะคะเอออย่าไปพยายามดึงนะเวลาเข้าฐานถ้ามันเข้าเองถึงได้ได้แล้วทีนี้เวลาที่เวทนาเหมือนกับความเจ็บปวดในกายหรือว่าการอย่ า, ยาเช่ น, อชนตอนเนี้ยเวลามันตื่นเต้นเนี้ยเราจะเห็น กายที่มันเหมือใจเต้นแรงอยู่ห่างๆแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกเหมือนมันทิ้งไปเป็นร้อยๆครั้งอ่ะยิ่งดียิ่งบ่อยยิ่ง <ไป S 1> ดีนะไปกับความคิดนั่นถูกต้องฝึกให้ได้วันละพันครั้งอย่างน้อยนะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะคนในโลกเนี้ยวันหนึ่งนะหลงครั้งเดียวรือตั้งแต่ตื่นจนหลับ ไม่เคยรู้สึกเลยหลงวัละครั้งเท่านั้นะงั้นถ้าเราไหลไปแล้วรู้สึกไหลแล้วรู้สึกทนะั้งวันหนึ่งต้องร้อยครั้งพันครั้งยิ่งดีนะแปลว่าสติเกิดบ่อยอย่างกรณีที่แบบว่ามันมันรู้สึกเ อ, อโมโหอยา่างอะไรอย่างเงี้ยอืเมื่อก่อนจะเหมือนพยายามหยุดมันอืก็หลวงฟังหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าให้มองไปเรื่อยๆเออดูไปแต่พอพอรู้สึกแล้วจะรู้สึกว่ามันสั้นลงเรื่อยๆนะใช่ เห็นไหมยิ่งเราไปอยากแก้ไขนะยิ่งอยู่นานนี่เราไม่ได้อยากแก้ไขเลยแค่รู้นะมันอยากสั้นลงสั้นลงแล้วเจอทั้งชำนิชํานาณนะสติแท้ๆเกิดเนี้ยเกิดปั๊บเป็นพวกนี้ขาดสะบั้นทันทีเลยนะสั้นแบบไม่มีดีเลยทามเลยแล้วก็เริ่มรู้ว่าเขาห่างห่างเราไปอีกนิดนึงออก็มีแกลบว่าเขาต้องระวังจดุจดนี้มีสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่ารักษาระยะห่าง ถ้ามันจะเข้าไปรวมก็รวมมันจะแยกก็แยก อ, อย่ารักษาระยะห่างนะเพราะว่าถ้าเรามันจะไปรวมบางทีเราฝืนไว้มันแข็งเนี่ยเออมันจะแข็งตัวรู้ตัวนั้นจะเป็นตัวรู้ปลอมนถ้าตัวรู้จริงเนี่ยเราไม่ได้รักษาเราก็ห้ามรักษาถ้ารักษานะเราจะเป็นคนดีใช่ไหมนิพพานออกไปดูนะภาวนาดีขึ้นขันแยกล้วดูออกไหมขันมันแยกได้อัศจรรย์นนะ เป็นเรื่องแปลกก็ยมทำต่อยังไม่ต้องการบ้านเพิ่มนี่ไงการบ้านให้แล้วไปทำต่อแต่ว่าอย่าไปรักษาตัวรู้ให้นิ่งอยากนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, เ, อ, อเคยไปส่งการบ้านแล้วก็ที่วัดสวนสันติธรรมค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ เมตตาให้การบ้านมาแล้วก็ได้ลองเอาไปทำแล้วค่ะหพ่อให้ไปดูตัวตัวหนึ่งซึ่งก็เห็นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอาดีขึ้นจากการที่ได้เห็นหลวงพ่อให้ทำแล้วก็ไปทำนะก็ดีขึ้นแหละธรรมดา <c oughs> เห็นไหมว่าขันมันก็แยกได้ <c oughs> เห็นไหมทุกมันสั้นลงท <c oughs> ุกมันเบา <c oughs> ค่อยๆลดไป <c oughs> มันค่อยเปลี่ยนไปเองแหละ แล้วก็เ อ, อวันนี้เนี่ยจะมากักเรียถามว่าอยู่สองคำถามคือว่าเ อ, อสิ่งที่ทําเนี่ยถูกหรือไม่ถูกการที่เรารู้เท่าทันกิเลส ต, ตัวเองนี่ใช้ได้นะถ้ามีกิเลสแล้วไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได้ขอถามได้ไหมคะคือว่าเ อ, อปกติอะคะในชีวิตประจําวันนะคะเ อ, อจะกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู อ, อะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจให้รู้ ให้รู้ทันจิตีไปคิดล้รู้ทันอมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหลงไปแล้วเรารู้ทันจังหวะนั้นน่ะสภาวะนั้นเห็นหรือว่าความตั้งมั่นของจิตเป็นอย่างไรนั่นแหละใช่แต่ว่าเห็นแค่แวัปเดียวแต่ม่รู้ถูกหรือเปล่าถูกถูกถ้าเห็นสองแวบเราก็ไม่ถูกละเพราะว่าตัวนี้เป็นคณิกะสมาธิสมาธ่ชั่วขณะแล้วก็อีกอย่างหนึงคือในขณะที่นั่งสมาธิทําในรูปแบบทุกวัน ก็เห็นสภาวะธรรมอีกคือว่าเมื never, it well. ่อก like like ่อนเนี Ge ้ยจะใช้สมองเยอะทีนี้ลองปล่อยดูนั่งนั่งปล่อยดูเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันมันมีอะไรที่อยู่ในตัวเราที่มันไม่ใช่มันผสมปนเปกันอยู่ซึ่งเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรคือเราไม่ได้ไปใส่บัญญัติเขาไม่ต้องบัญญัติแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่เราทาถูกหรือเปล่าถูก อย่าไปนั่งบัญญัติมันนะเจ้าคุณนอรู้จักไม่เจ้าคุณนอของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงไม่ต้องไปบัญญัติใส่มันหรอกแ ค, แค่เห็นสภาวะสิ่งบางสิ่ง something สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นพอแล้วการภาวนาเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะฉลาดรอบรู้อะไรมากเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดก็ดับแล้วแค่นี้ก็พอ อยากจะขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มอะค่ะอขอความเมตตาการบ้านเพิ่มค่ะไปทำต่อสิการที่เราเห็นมาน่าอัตตาดวกอกเลยใช่ไหมมันทำให้เราน่ารักขึ้นนะแล้ ร, รู้สึกว่าน่าอายไหมเวลาันเิด ม, มันเป็นกิเลสที่แปลกเลยไอ้ตัวเซลจัดเนี่ยพอเรารู้ทันว่าตัวเองเซลลจัดเนี่ยเป็นกิเลสที่เราเอาละอายที่สุดเลย อย่างเรารู้ว่าโกรธยังไม่อายเท่านี้นะแปลกมากเลยแล้วการที่เราเซฟจัดเนี่ยคนอื่นก็ไม่ชอบหรอกถ้าถ้าเรารู้ตัวนี้มันจะไม่เซฟจัดจะมีเหตุผลแล้วพอมีเหตุผลนะมันจะน่ารักกว่าเก่าดีแะไปหัดดูสุดท้ายก็จริงๆพ ง, งพูดในห้องพระทุกวันเลยนะคะประโยคนี้วันนี้หลวงพ่อมาถึ ง, างที่นี่แล้วก็อยากจะบอกว่าออขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่ร่มรักสุดหัวใจเลยนะคะแล้วก็เป็นขอถวายการปฏิบัตินี้เป็นธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่พระอาจารย์ปามโสดามโมโชด้วยนะคะสาธุนะ ค, นคืะอปัจจุบันเนี้ผมก็ปฏิบัติทุกวันนะครับรูปแบบก็คือมีการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่นี้ปัญหาติดอยู่ว่ า, าการนั่งสมาธินิ่งผมเนี่ยนั่งน่าไปมันเฉยการมั่ว จก็จะพยายามเพื่อฟังเดีของอาจารย์ว่าให้เรารู้สึกจากข้างนอกคือมองก็งมองเรานั่งอยู่แต่ก็ยังง่วงอยู่ครับเรานั่งให้หลวงพ่อดูสิลืมหลวงพ่อไปเลยนั่ง <c oughs> นั่งเหมือนที่เราเคยนั่งนตรงนี้ดูออกไหมว่าเราส่งจิตไปจิตมันเคลื่อนไปมันเริ่มต้นตั้งแต่สายไปสายมาก่อนดูออกไหมสายไปสายมาให้รู้ ใส่ได้ที่แล้วมันก็ไปจับอะไรนิ่งๆอยู่ใช่ตรงที่จับนิ่งๆเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปแล้วโมหามันแทรกดังนั้นจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงมันไปนสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะงั้นเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยอยายให้ขาดสตนะิให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเอาใหม่ลองนั่งอีกอย่างนี้เพ่งไปแรงไปอึนาัด ลืมตากันยิ้มหมานๆกันไม่ยอมหลุดนะ <c oughs> แน่นไปแล้วนั่งให้สบายๆนะนั่งสบายเอๆเมื่อกี้ดีแล้วแล้วตอนนี้ไปตั้งใจอีกไม่กออกไหมตัวนั้นไม่ได้ทําอะไรแค่รู้สึกตัวนั้นถูกเงั้นเราแค่รู้สึกะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าไม่ใช่ให้จิตไหลเข้าไป บงคนตอนที่นั่งสมาธิจิตอย่างเคลื่อนถ้าจิตเคลื่อนเนี่ยจะได้อย่างมากที่สุดเลยนะได้อารมณูป น, นิชฌานนะแล้วก็ตัวเนี้ยเสี่ยงที่โมหะจะแทรกงั้นะเราฝึกสมาธินี่เพิ่มสติขึ้นนิดนึงแต่อย่าเพิ่มจนแข็งนะให้คอแค่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะทํากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเอาดีเอาวิเศษเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกทํากรรมฐานแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะดีที่สุดเลย นิ่คือว่ามีจังหวัดอยู่จังหวัดนึง่งอาจจะเป็นบังเ อ, อิญหรือเผลอมันเห็นว่าจิตกับกายคนละถูกอมันไม่ใช่บังเ อ, อิญไม่ใช่เผลอหรอกมันเป็นที่เราฝึกนี่นแหละเราหัดรู้หัดดูอยู่แล้วขณะนั้นเนี่ยหมดความจงใจพอไม่ได้จงใจจะรู้แนละ้มันรู้แต่เบื้องต้นมันก็ต้องจงใจไปก่อนะต่อไปมันจะรู้โดยไม่จงใจะแล้วตัวนั้นอะใช่ตัวนั้นจะไม่มีเรานะจะไม่มีเรา ของคุณพอนาดีนะถูกใจหลวงพ่อมีขยันใช้ได้ครับในลำดับถัดไปก็ขออารัธนาหลวงพ่อนะครับนำพวกเราเจริญสติในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นตัวอย่างให้ไปปฏิบัติต่อนะครับจะ น, นำได้ไงพวกเราต้องขโขลงใหญ่จา น, นวนเท่านันนี้เนี่ยนะบางคนจับใชจับผมอย่างเงี้ยรู้สึก สังเกตที่ใจก่อนใจต้องเป็นธรรมชาติใจเป็นธรรมดายอย่าไปกลิ่งขึ้นมาหลายคนกลิ่ขึ้นมากลิ่การปฏิบัติรรเนี่ยอย่าไปคิดว่าคือทำอะไรพิลึกพิลึกเป็นเรื่องง่ายๆรู้สึกตัวสบายสบายทำใจให้ผ่อนคลายให้สดชื่นเ้าเห็นร่างกายมันทํางานไม่ต้องนั่งนิ่งนะกระดุกกระดิกก็ได้ ถ้าจะฝึกเจริตสติในชีวิตประจําวันการเจริญสติในชีวิตประจําวันนัหมายถึงว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้มันสัมผัสอารมณ์ไปแต่ถ้าสัมผัสอารมณ์แล้วเกิดสุขก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดดีก็ให้รู้เกิดลบโกดลงก็ให้รู้ก็แค่นั้นเองแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยตาเห็นรูปใช่ไหมเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างนะ ดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวหูได้ยินเสียงก็แบบเดียวกันงั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอะไรสักอย่างเดียวไม่ต้องนั่งหลับตายกเว้นเวลาทําในรูปแบบนะคนละเรื่องกันนะนี่เขาอารัธนาหลวงพ่อให้พาเจริญสติในชีวิตประจําวั น, นเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีอายตนาทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานเต็มที่เลย เมื่อมันทำงานแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภหลุดหลงอะไรให้รู้ทันรู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปโลภหลุดหลงมาแล้วก็ไปไม่บังคับจิตนะไม่บังคับจิตแต่ว่ามีข้อแม่อันเดียวว่าต้องถือสี่ห้าไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเราจะไม่ควบคุมจิตถ้าเราไม่ควบคุมจิตแต่เราไม่มีศีล5้าเนี่ยเราจะเป็นละเมิดคนอื่นเขา เตีเส้นทางใจเนี่ยทางจิตใจปล่อยให้มันทำงานแต่ทางกายทางวาจายอย่าให้ผิดสินห้าเนะี่ยฝึกสติในชีวิตประจำวันไปใครรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะถ้ารู้ทันความรู้สึกไม่ได้ก็รู้ทันร่างกายร่างกายจะหายใจออกหายใจเข้าเหลียวซ้ายแรกว่ารู้สึกไปเรืยนะเวลาโกรธเนี่ยลมหายใจก็เปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะรู้สึกไหมเวลาโกรธจะหายใจแดงเวลามีราคาก็หายใจแดงรู้สึกไหม จิตมันจะเปลี่ยนอย่างส่วนถ้าเราถนัดดูร่างกายเนี่ยมันก็จะดูจิตออกได้ด้วยนะนเห็นในวุฒลมหายใจเปลี่ยนนะเพราะว่ามันโกรธขึ้นมาสุดท้ายมันก็ดูจิตออกดูกายได้มันก็ดูจิตได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจหนีไปแล้วนะยิ้มซิเรียนกับหลวงพ่อนะต้องยิ้มนะพ่อหลวงพ่อเนี่ยสุขาปฏิปทา <laughs> พวกเราแต่ละวันเราทุกข์เยอะอยู่แล้วนะอย่าทำกรรมฐานให้ทุกข์มากกว่าเก่านะเดี๋ยวสติแตกนะทำกรรมฐานนะให้ใจิตใจมันมีความสุขอบอุ่นนุ่มนวลได้มีแรงอยู่กับโลกในขณะเดียวกันธรรมะก็เจริญไปด้วยนะตำรวจใจลอยละดูออกไหมห <laughs> นี๊บไปนะไม่ห้ามแค่รู้ สำรวจนี่ดีนะพรน่าใช้ได้แล้วละ mm. พอน่าถูกแล้วขันแยกสองคนสังเกตไหมใจเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมไม่ห้ามแต่ถ้ามันคิดนะเรารู้ทันว่ามันคิดใจเราก็จะตื่นขึ้นมาภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าไปห้าม ใจคิดก็รู้ถ้าใจคิดไปแล้วเราไม่รู้นะเดี๋ยวมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ไปรู้ว่าตอนสุขทุกข์ก็ได้ถ้าสุขทุกข์ยังไม่รู้อีกมันจะเกิดดีเกิดชั่วไ่รู้ว่าตอนดีตอนชั่วก็ได้หลังจากนั้นไม่ทันละ <c oughs> ใครส่งจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างสารภาพมาเกือบทั้งห้องเลยนะทาไมไม่อยู่กับตัวเอง ฝึกนะฝึกเข้าตาเห็นรูปความรู้สึกเป็นไงรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันอย่าเข้าไปแทรกแซงไม่ห้ามความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่แทรกแซงว่าต้องอยู่นานๆหรือต้องหายไปเนีย่ยฝึกให้มากฝึกให้มาก วันหนึ่งเราจะได้รู้จักว่ารพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงพ้าใจเราเป็นพระสงฆ์เมื่อไหร่นะเราจะเชื่อมั่นว่าพระธรรมมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าใจเรายังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ยังเป็นปุถุชนอยู่ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่น้อมใจเชื่อเป็นความเชื่อที่ยังกลับกรอกอยู่นื่นะยอย่างที่เราศรัทธาศรัทธาศรัทธาของปุถุชนเป็นศรัทธากลับกรอกนะถ้าเมื่อไหร่ ธรรมมของพุทธเจ้าขัดผลประโยชนนะ์เราเอาผลประโยชน์ก่อนแต่ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะแล้วศนระัทธาเราแน่นแฟน้นไม่กลับกรอกนั้นหัดรู้หัดดูนะธรรมมอยู่กับใจเรานี่ธรรมมฝ่ายชั่วก็อยู่ที่ใจฝ่ายชั่วเกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมมฝ่ายดีก็อยู่ที่ใจมีอะไรดีๆขึ้นในในใจก็รู้รู้เพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้นะเอาละพอสมควรแก่เวลา ฝึกในชีวิตประจำวันต้องไปฝึกเองนะครับและในลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการร่วมกันถวายสังฆทานนะครับเดีย๋ยวขอญาติกล่าวนำแนละ้วให้ทท่านก่าวตามข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกลับสิ้นกาลนานเทินพวกเรารับพอนะท่านพู้ธมิการท่าิตรวดน้ำ เป็นตัวแทนพวกเราเราก็กดน้ำด้วยจิตใจร่วมกับท่านอยยาถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวามวายโตทินังเปตานังอุปกัะปติอิชิตังปทิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถา สพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโคโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจจายโนจตารโธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังพกขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านนะการฟังธรรมะเป็นมงคลกับชีวิตเรา ฟังธรรมะแล้วเอาไปปฏิบัตินะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างในโลกที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามันก็มีคุณค่าของมัน แ, แต่มันคุณค่าชั่วคราวเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งนั้นเองธรรมะจะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆข้ามภพข้ามชาติดได้ชาติต่อไปก็จะพอนางง่ายเมื่คนบารมีเต็มแล้วชาตินี้จะได้ธรรมะบ้างถ้าได้อย่างนั้นได้ก็ดีแล้วปลอดภัยแล้ว ๋ยูพ่พอไปก่อนนะ